โสธราเทริยาประทานประวัติในดิตชาตของพระโยะโสธราเทรีพระโยะโสธราเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้ทรงเป็นผู้นำแห่งนรชนประทับอยู่หน้าเงื้อภูเขาที่ประเสริฐแห่งหนึ่งใกล้กรงราชเครื่อที่น่ารื่นรมมั่งขัง่งโยโสธราภิกษุณีผู้อยู่ในสำนักของภิกษุณีในนครที่น่ารื่นรมนั้น ได้มีความรำพึงอย่างนี้ว่าพระเจ้าสุโธธนะมหาราชและพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระมหาเถระผู้มีชื่อสเสียงและพระเทรีผู้มีฤทธิ์มากท่านเหล่านั้นลวนนิพพานไปแล้วเหมือนเปลวประทีปหมดเชื้อดับไปฉะนั้นเมื่อพระโล ก, กนาทยงทรงพระชนอยู่แม้เราก็จับบรรลุ ถ, ถึงสิบวบทนิพพานยะโสธราภิกษุณีนั้นครั้นคิดแล้ว จึงพิจารณาดูอายุของตนเห็นอายุสังขารจะถึงความสิ้นไปในวันนั้นเองจึงถือบาตรและจีวร อ, ออกจากที่อยู่ของตนมีภิกษุณีหนึ่งแสนรูปพ้อมล้อมมีฤทธิ์มากมีปัญญามากเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายอภิวาที่ลายลักษณ์กงจักของพระาศาสดาแล้วนั่งณที่สมควรเรียกกราบทูลคำนี้ว่ามอมฉันมีอายุได้เจ็สิบแปดปี ร่วงเข้าปัจฉิมวัยแล้วถึงความเป็นผู้มีกายคลอมลงโดยลำดับขอกราบทูลลาพระมหามุนีหม่อมฉันมีวัยแก่ง่อมชีวิตของหม่อมฉันมีอยู่นิดหน่อยหม่อมฉันจักละพระองค์ไปที่พึ่งของตนหม่อมฉันทำไว้แล้วในการปัจฉิมวัยนี้ความตายเข้ามาปิดล้อมไว้แล้วข้าแต่พระมหาวีระหม่อมฉันจักนิพพานในคืนวันนี้ ข้าแต่พระมหาโมนีหมอมฉันไม่มีชาติชราพยาธิและมรณะหม่อมฉันจะเข้าถึงนิพพานที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นบุรีที่ไม่มีความแก่ความตายและไม่มีภัยบริษัทที่เข้าเฝ้าพระองค์อยู่รู้จักความผิดจึงขอประทานโทษเฉพาะพระพักของพระศาสดาข้าแต่พระมหาวีระเมื่อม่อมฉันเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสงสารหากมีความผิดพลาดในพระองค์ หม่อมฉันกราบทูลว่าขอพระองค์โปรโดยกโทษให้แก่หม่อมฉันด้วยเถิดพระจอมมุนีทรงสดับคำของพระยะโสธราภิกษุณีแล้วจึงตรัส ด, ดังนี้ว่าเมื่อเธอบอกว่าจะลานิพพานตถาคตจะไปว่าอะไรเธอให้มากเล่าเธอผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเราจงแสดงฤทธิ์และตัดความสงสัยของบริษัททั้งปวงในศาสนาเถิด พระยะโสธาราภิกษุณีนั้นได้ฟังพระดำรัสของพระมุนีพระองค์นั้นแล้วจึงว่าพระราชมุนีนั้นกราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระมหาวีระมอมฉันชื่อยะโสธาราเมื่อสมัยที่ยังทรงครองคารวาสวิสัยเป็นประชาบดีของพระองค์เกิดในตระกูลสากะยะตั้งอยู่ในองค์สมบัติของผู้หญิงข้าแต่พระมหาวีระบรรดาหญิงจำนวนหนึ0นาง หม่อมฉันเป็นประธานเป็นยายขวอยิงทั้งปวงในพระราชนิเวศ ข, ของพระองค์สตรีทั้งหมดประกอบด้วยรูปสมบัติและอาจาระสมบัติแม้ดำรงอยู่ในวัยสาวก็ยำเกรงหม่อมฉันทุกเมื่อเหมือนมนุษย์ทั้งหลายยำเกรงเทวดาหญิงเหล่านั้นมีนางกษัตริย์พันนางเป็นประธานร่วมสุขร่วมทุกข์กันอยู่ในพระราชนิเวศ ข, ของสักรยะยบุตรฟานประหนึ่งเทวดาทั้งหลายในสวนนันทวัน เว้นพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกแล้วเหล่าสตรีผู้ฉลาดล่วงเลยกลามภูมิตั้งอยู่ในรูปภูมิมีรูปเช่นกับม่อมฉันไม่มีพระยโสธราเทรีถวายอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแสดงฤทธถวายพระศาสดาแล้วแสดงฤทธ์มากมายหลายอย่างคือแสดงกายเท่าภูเขาจักรวาลศีสษะเท่าอุตรกุรุทวีป ทวีปทั้งสองให้เป็นปีทั้งสองข้างชมพูทวีปให้เป็นลำตัวแสดงมหาสมุทรด้านทิศใต้ให้เป็นกำหางกิงไม้ต่างๆให้เป็นขนปีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ให้เป็นในตาภูเขาพระสุเมนให้เป็นงอนแสดงภูเขาจักรวาลให้เป็นจ ง, งอยปากนำต้นว่าพร้อมทั้งรากเข้ามาใกล้แล้วไหวและพัดวีพระผู้เป็นผู้นำสัต์โลก แสดงเป็นช้างมา้าภูเขาทะเลดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ภูเขาพระสุเมนและเป็นเท้าจักระจอมเทพกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้มีพระจักสุมอมฉันชื่อว่ายะโสธราขอกราบพระยุคลบาทแล้วใช้ดอกบัวบานปิดพันโลกธาตุไว้เนรมิตเป็นพรมแสดงสุญญาตาธรรมอยู่กราบทูลว่า ข้าแต่พระวีระผู้มีพระจักสุมอมฉันชื่อว่ายโสธราโคกราบพระยุคนรบาทข้าแต่พระมหามุนีมอมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์มีทิพโสตธาตุและมีความชำนาญในเจโตปริยาญาณรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณทิพยจักสุมอมฉันก็ชำระให้หมดจดแล้วอาสวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มี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 ข้าแต่พระมหาวีระผู้เป็นพระมุนีขอพระองค์พึงหวนระลึกถึงกูสุลกรรมเก่าของหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันสั่งสมบุญไว้ก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหาวีระหม่อมฉันงดเว้นอนาจารในสถานที่ไม่สมควรแม้ชีวิตก็ยอมสละได้เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ประทานหม่อมฉันเพื่อต้องการให้เป็นพัญญาของผู้อื่นหลายพันโกรธกับก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันไม่เคยเสียใจในเรื่องนั้นเลยข้าแต่พระมหามุนีพระองค์ประทานหม่อมฉันเพื่ออุดหนุนผู้อื่นหลายพันโกรธกับก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันไม่เคยเสียใจในเรื่องนั้นเลยข้าแต่พระมหามุนีพระองค์ประทานหม่อมฉันเพื่อประโยชน์เป็นอาหารหลายพันโกรธกับ ก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ม่อมฉันไม่เคยเสียใจในเรื่องนั้นเลยมอมฉันยอมสละชีวิตหลายพันโกรธกับด้วยคิดว่าจะกระทำความพ้นภัยจึงยอมสละชีวิตตนเองข้าแต่พระมหามุมม น, นีมอมฉันไม่เคยหวงเครื่องประดับมีผ้านานาชนิดที่ติดตัวอยู่และพันธะของหญิงเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีทรัพเข้าเปลือกปัจจัยเครื่องบริจาค บ้านนิคมไร่นาบุตรธิดาหม่อมฉันก็บริจาคแล้วช้างมา้าโคทาสีนางบำเรอมากมายนับไม่ถ้วนหม่อมฉันก็บริจาคแล้วเพื่อประโยชน์แก่พระองค์พระองค์ทรงปรึกษาหม่อมฉันว่าเราจะให้ทางแก่พวกยาจกเมื่อพระองค์ให้ทานที่ประเสริฐอยู่หม่อมฉันก็ไม่เคยเสียใจกล้าแต่พระมหาวีระ มอมฉันยอมรับทุกทรมานมากมายหลายอย่างจนนับไม่ท่วนในสงสารเป็นอเนกก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหาหมุนีมอมฉันได้รับสุขก็อนุโมทนาในคราวที่ได้รับทุกข์ก็ไม่เสียใจเป็นผู้ยินดีแล้วทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหาหมุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญธรรมโดยมักที่สมควรสวยสุขและทุกข์กแล้ว ได้บรนลุพระโพธิญาณการที่พระองค์และหม่อมฉันพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระนามว่าพรหมเทกและพระนามว่าโคดมแล้วพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งสัตว์โลกเหล่าอื่นอีกก็มากข้าแต่พระมหามุนีอธิการของหม่อมฉันมีมากเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันเมื่อสแสวงหาพุทธธรรมอยู่ ก็ได้เป็นบาดบริจาริกาของพระองค์ในสีอสงไขยและอีกหนึ่งแสงกลับพระมหาวีระพระนามว่าทีปังกรทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จอุบัติขึ้นแล้วประชาชนในปัจจันตประเทศต่างมีใจยินดีทูลนิมนต์นพระถาคตแล้วช่วยขันแพร่ทางทางซึ่งเป็นที่เสด็จพุทธดำเนินครั้งนั้นพระองค์เกิดเป็นพรามนามว่าสุเมทะ กำลังตกแต่งหนทางเพื่อพระสุคต์ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงกำลังเสด็จมาครั้งนั้นมอมฉันได้เกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นหญิงสาวมีนามว่าสุมิตาเข้าไปสู่สมาคมถือดอกอุบลไปแปดกลมเพื่อบูชาพระศาสดาได้เห็นพระองค์ผู้เป็นฤาษีผู้ประเสริฐในถ้ำกลางหมู่ชนครั้งนั้นมอมฉันได้เห็นพระองค์ผู้น่าพอใจผู้มีความเอนดูประทับอยู่นาน ดำเนินผ่านไปจึงได้สำคัญว่าชีวิตของเรามีผลครั้งนั้นมอมฉันเห็นความพยายามที่มีผลของพระองค์ผู้เป็นพระเรศีด้วยบุพกรรมแม้จิตของมอมฉันก็เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอมฉันทำจิตให้เลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระเรศีมีพระไทยเบิกบานข้าแต่พระเรศีมอมฉันไม่ได้เห็นสิ่งเอื่นที่ควรถวาย จึงถวายดอกอุบนแด่พระองค์พร้อมกับกล่าวว่าข้าแต่พระฤาษีดอกอุบนห้าก ร, รัมจงเป็นของท่านดอกอุบนสามก ร, รัมจงเป็นของหม่อมฉันข้าแต่พระฤาษีดอกบัวสามก ร, รัมของหม่อมฉันกับดอกบัวห้าก ร, รัมของท่านนั้นจงมีผลเสมอกันเพื่อประโยชน์แก่พระโพธิญาณของท่านภาณวาระที่สี่จบ สุมเมธมหาเรศีรับดอกอุบลแล้วบูชาพระพุทธเจ้า พ, พระนามว่าทีปังกรผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีบริวารยศมากมายเสด็จดำเนินมาถ้ำกลางชุมชนเพื่อประโยชน์แก่พระโพธิญาณพระมหามุนีผู้มีความเพียรมากพระนามว่าวีระทีพังกรทอดพระเนตรเห็นพระเรศีผู้มีใจสูงแล้วจึงตรัสพยากรณ์ในถ้ำกลางชุมชน ข้าแต่พระมหามุนีเนื่องกลับที่หาประมาณมิได้นับจากกับนี้ไปพระมหามุนีพระนามว่าทีปังกรทรงพยากรณกรรมคือความเป็นผู้ซื่อตรงของหม่อมฉันไว้ว่าท่านฤาษีผู้เป็นใหญ่อุบาสกาผู้นี้จะมีผู้มีจิตเสมอกันมีการกระทำเสมอกันมีปกติธรรมร่วมกันจกเป็นที่น่ารักเพราะการกระทำเพื่อประโยชน์แก่ท่าน จากเป็นหญิงมีรูปร่างน่าดูน่าชมน่ารักยิ่งน่าชอบใจมีวาจาอ่อนหวานมีฤทธิ์เป็นธรรมธายาคของท่านอุปัชกาผู้นี้จกรักษากุศลธรรมทั้งหลายเหมือนพวกเจ้าของรักษาเครื่องสมุกจะอนุเคราะห์ท่านจากบัมเพญบารมีเพื่อท่านและกิเลสได้ดังพญาราชสีละกรงแล้วจากบรรลุพระโพธิญาณ เนื้อกลับที่หาประมาณมิได้นับจากกลับนี้ไปพระพุทธเจ้าทรงพยากรดํารัดใดกับหม่อมฉันหม่อมฉันเมื่ออนุโมทนาพระดํำรัดนั้นเป็นผู้ทําอย่างนี้หม่อมฉันทําจิตให้เลื่อมใสในกุศลกรรมที่ได้ทําไว้ดีแล้วนั้นได้บังเกิดในกําเนิดเทวดาและมนุษย์มากมายได้สวยสุขและทุกข์ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อถึงภพสุดท้ายได้เกิดในสักรยะตระกูล มอมฉันมีรูปสมบัติมีโพคุสมบัติมียศมีศีลสมบูรณ์ด้วยองค์สมบัติทั้งปวงแต่นั้นได้รับความยำเกรงจากเจ้านายในตระกูลทั้งหลายพรั่งพร้อมด้วยโลกธรรมคือลาบสักระสรนเสริญมีจิตไม่ประกอบด้วยทุกข์อยู่อย่างผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนสมจริงตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้า ในครั้งนั้นพระองค์ทรงแสดงอุปการะของนารีทั้งหลายไว้ภายในพระราชมนเทียและในขัตยบุรีว่านารีผู้มีอุปการะหนึ่งนารีผู้เป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกหนึ่งนารีผู้แนะนําประโยชน์ให้หนึ่งนารีผู้ทําความอนุเคราะห์ให้หนึ่งพระพุทธเจ้ามีจํานวนถึงห้าร้อยโกรธและเก้าร้อยโกรธหม่อมฉันจัดถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงสดับอธิการของหม่อมฉันมีมากมายพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิกของชาวโลกมีจำนวนถึงหนึ่งพหนึ่งโกดหม่อมฉันจะถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงสดับอธิการของหม่อมฉันมีมากมายหม่อมฉันจะถวายมหาทานแก่พระพุทธเจ้าสองพันโกด และแก่พระพุทธเจ้าสามพันโกธผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเท พ, พข้าแต่มหาราชขอพระองค์ทรงสดับ อ, อธิการของหม่อมฉันมีมากมายพระพุทธเจ้ามีจำนวนถึงสี่พันโกธและห้าพันโกธหม่อมฉันจัดถวายมหาทานแก่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้เป็นเ ท, พ ย, ทพยิ่งกว่าเทพข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงสดับ อ, อธิการของหม่อมฉันมีมากมาย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 ขอพระองค์จงสดับอธิการของหม่อมฉันมีมากมายพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของชาวโลกมีจํานวนถึงหนึ่งแสโกรหม่อมฉันจัดถวายมหาทานแดบบ่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้เป็นเทพยิ่ยงกว่าเทพข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงสดับอธิการของหม่อมฉันมีมากมายพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำอื่นๆมีจํานวนถึงเก้าพันโกร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 ขอพระองค์จงสดับอธิการของหม่อมฉันมีมากมายหม่อมฉันจะถวายมหาทานแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากราคระจำนวนแปดสดโกรธข้าแต่มหาราชขอพระองค์ทรงสดับอธิการของหม่อมฉันมีมากมายหม่อมฉันจะถวายมหาทานแด่พระขีนาสพผู้ป ร, ราศจากมนทินซึ่งเป็นพุทธสาวกมากมายนับไม่ท้วนข้าแต่มหาราช ขอพระองค์ทรงสดับอธิการหม่อมฉันมีมากมายม่อมฉันจัดถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าพระปัิเจกตพรพุทธเจ้าทั้งหลายผู้สังสมไว้ดีแล้วในธรรมทั้งหลายและแด่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายผู้ประพฤติพระสัตย์รมทุกเมื่อด้วยประการฉนี้บุคคลผู้ประพฤติ ธ, ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลควรประพฤติ ธ, ธรรมให้สุจริตไม่ควรประพฤติ ธ, ธรรมให้ทุจริต เพราะบุคคลผู้ประพฤติ ธ, ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าข้าพระองค์เบื่อหน่ายในสังสารวัฏจึงออกบวชเป็นบรรพชิตพร้อมด้วยบริวารหนึ่งพันครั้นบวชแล้วก็หมดกงวลมอมฉันลา ก, การครองเรือนแล้วบวชเป็นบรรพชิตยังไม่ทันถึงกลึงเดือนก็ได้บรรลุสัจจะสี่คนเป็นอันมากนำจีวรเบ็นดบาบะเสนาสนะและปัจจัยเข้ามาถวายมากมายมิใช่น้อย เหมือนคลื่นในมหาสมุทรกิเลสทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงหม่อมฉันก็ถอนได้แล้วหม่อมฉันตักกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพยาช้างตักเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่หม่อมฉันมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลําดับ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้เคอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภินยาหกหม่อมฉันก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลหม่อมฉันได้รับทุกหลายอย่างและสุขสมบัติหลายอย่างถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์ได้สมบัติทุกอย่างด้วยประการฉนี้ บุคคลผู้ถวายตนของตนแด่พระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพื่อต้องการบุญก็ย่อมพรั่งพร้อมด้วยสหายบรรลุพระนิพพานซึ่งเป็นอาสังกตะกรมทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตสิ้นไปแล้วกรัมทั้งปวงของหม่อมฉันสิ้นไปแล้วข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุหม่อมฉันขอกราบไหว้พระยุคลบาทได้ทราบว่าพระยโสธราภิกุณี ได้พาสึกขาเหล่านี้เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคด้วยประการฉนี้ยะโสธราเทริยาประทานที่8ดจบเก้าทศหัสสเถริยาประทาน ประวัติในดิจิชาของพระเทรีหมื่นรูปพระเทรีหมื่นรู ป, ร เ, รมรปเมื่อจะประกาศประวัติในดิจิชาของตนจึงกล่าวว่าในสีอสงไขยและอีกหนึ่งแสนกับพระชินจ้าพระนามว่าทีปังกรทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระมหาวีระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรทรงเป็นผู้นำวิเศษทรงพยากรณว่าสุเมธบัณฑิต กับนางสมิตามีสุขและทุกข์ร่วมกันเมื่อเสด็จเที่ยวไปยังมนุสเสวโลกพร้อมทั้งเทวโลกทอพระเนตรเห็นมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาได้เสด็จเข้ามาสู่สมาคมในเมื่อเราเกล่าวสรรเสริญสุมเมธาบัณฑิตและนางสมิตานั้นอยู่สุมเมธาบัณฑิตจะเป็นสามีของหม่อมฉันทั้งปวงในการพบกันในอนาคตแห่งหม่อมฉันทั้งหลายหม่อมฉันผู้เป็นพัญญาทั้งหมดของท่าน เป็นคนน่ารักพูดจาไพเราะข้าแต่พระมหามุนีทานไม้ศีลไม้ภาวนาไมยทั้งปวงม่อมฉันทั้งหลายบำเพ็ญดีแล้วม่อมฉันทั้งหลายเสียสละวัต ถ, ถุทานทุกอย่างนี้ตลอดกาลนานคือของหอมระเบียบดอกไม้เครื่องรูปไล้และประทีปที่สําเร็จด้วยรัตนะข้าแต่พระมหามุนีสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างม่อมฉันทั้งหลายก็สละแล้ว ข้าแต่พระมหามุนีกรรมอย่างอื่นและวัตถุเครื่องบริโภคที่เป็นของมนุษย์มอมฉันทั้งหลายทำไว้แล้วทุกอย่างมอมฉันทั้งหลายได้สละตลอดกาลนานเพราะบุญเป็นอันมากมอมฉันทั้งหลายได้ความเป็นใหญ่เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ตลอดสงสารเป็นอเนกประชาติได้กระทำไว้แล้วเมื่อถึงภพสุดท้ายมอมฉันทั้งหลายเกิดในตระกูลต่างๆในนิเวศ ข, ของจักรยบุตร มีวันนังดงามหน้าใครดุจนางอักษรมอมฉันทั้งหลายมีลาบอย่างเลิศได้รับยศแล้วได้รับการบูชาสักระจากชนทั้งปวงได้ข้าวและน้ําได้รับการยอมรับนับถือทุกเมือ่อมอมฉันทั้งหลายลากลางครองเรือนบวชเป็นบรรพชิตยังไม่ทันถึงปึ่งเดือนก็ได้บรรลุความดับทุกข์ทั้งหมดมอมฉันทั้งหลายได้ข้าวน้ําได้รับสักระบูชาด้วยผ้า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 เป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามหม่อมฉันทั้งหลายได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันทั้งหลายก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกษแปดและอภิญญาหกหม่อมฉันทั้งหลายก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันทั้งหลายก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลทราบว่า พิสุนีหมื่นรูปมีพระโยะโสธราเทรีเป็นประธานได้ภาสิพท์คถาเหล่านี้เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคด้วยประกาศฉนีทัหัสสเถริยาประธานที่9จบสิทธิอัฐระสเถรีสหัสสานมพประธานประวัติในดิตชาติของพระเทรี 18,00 งรูปพระเทรี 18,00 งรูป เมื่อจะประกาศประวัติในเดชชาติของตนจึงกล่าวว่าพิสุนีที่สมพบในสักยะตรพูน 18,00 งรูปมีพระยะโสธราเทรีเป็นประธานเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิสุนีทั้งหนึ่งหพันรูปล้วนเป็นผู้มีฤทธิ์มากกราบพระยุคลบาของพระมุนีแล้วเรียกกราบทูลตามกำลังว่าข้าแต่พระมหามุนีผู้ทรงเป็นผู้นา หม่อมฉันทั้งหลายมีชาติชาราพยาธิและมรณะสิ้นแล้วถึงอมตะบทที่สงบไม่มีอาสวะข้าแต่พระมหาหมุนีผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษในการก่อนความพลั้งพลาดของหม่อมฉันแม้ทั้งหมดก็มีอยู่ชนทั้งหลายย่อมรู้ว่าเป็นความผิดขอพระองค์โปรโดยกโทษแก่หม่อมฉันทั้งหลายด้วยเถิดพระบรมศาสดาตรัสว่า เธอทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเราจงแสดงฤทธิ์และตัดความสงสัยของบริษัททั้งมวลเท่าที่มีอยู่เถิดข้าแต่พระมหาวีระพระยโสธราเทรีเป็นหญิงที่น่าพอพระทยัยน่ารักน่าชมข้าแต่พระมหาวีระมอมฉันทั้งปวงเป็นประชาบดีของพระองค์เมื่อสมัยที่ยังครองคารวะวิสัยข้าแต่พระมหาวีระ บรรดาหญิงจํานวน1 9ึ่0 0นางหมอมฉันทั้งหลายเป็นประธานเป็นใหญ่ขวหญิงทั้งปวงในพระราชนิเวศของพระองค์สตรีทั้งหมดประกอบด้วยรูปสมบัติและอาจาระสมบัติดํารงอยู่ในวัยสาวผู้จาไพเราะยำเกรงต่อม่อมฉันทั้งหลายเหมือนพวกมนุษย์ยำเกรงเทวดาในการนั้นมอมฉันจํานวน18ึ่งพันนางทั้งหมด เป็นผู้สมภพในสักยะตรกูลพระยโสธราเทรีและหม่อมฉันพันนางเป็นประธานเป็นใหญ่ข้าแต่พระมหามุนีบรรดาหม่อมฉันพันนางหม่อมฉันทั้งหลายผู้ก้าล่วงกลามธาตุดำรงอยู่ในรูปธาตุมีรูปมีฤทธิ์ไม่เหมือนกันพระเทรีเหล่านั้นถวายอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแสดงฤทธิ์ถวายพระศาสดา แสดงฤทธิ์มากมายหลายอย่างต่างๆกันคือแสดงกายเท่าภูเขาจักรวาลศีษะเท่าอุตรากุรุทวีปทวีปทั้งสองให้เป็นปีกทั้งสองข้างชมภูทวีปให้เป็นลำตัวแสดงมหาสมุทรด้านทิศใต้ให้เป็นกํำหางกิ่งไม้ต่างๆให้เป็นขนปีกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ให้เป็นในตาภูเขาพระสุเมรให้เป็นงอนแสดงภูเขาจักรวาลให้เป็นจางอยปาก นำต้นว่าพร้อมทั้งรากเข้ามาใกล้แล้วไหว้และพัดวีพระผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกสแสดงเป็นช้างมา้าภูเขาทะเลดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ภูเขาพระสุเมรและเป็นเท้าสักระจอมเทพกราบทูลว่าข้าแต่พระวีระเจ้าผู้มีพระจักสุทรงเป็นผู้นําของนอรชนมอมฉันทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งยศซึ่งสําเร็จแล้วเลือกบุญสุนธรรมที่อบรมมานานเพื่อพระองค์ ขอกราพระยุคนละบาทข้าแต่พระมหามุนีมอมฉันทั้งหลายเป็นผู้มีความชํานาญในริษมีทิพโสตธาตุและมีความชํานาญในเจโตปริยาญาณรู้ปุกเพนิวาสานุสติญาณทิพยจักษุม่อมฉันทั้งหลายก็ชําระให้หมดจดแล้วอาสะวะทั้งปูงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกข้าแต่พระมหาวีระ อรธะปฏิสัมพิทาญานธรรมะปฏิสัมพิทาญานนิรุติปฏิสัมพิทาญานและปฏิภาณปฏิสัมพิทาญานของหม่อมฉันทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วในสำนักของพระองค์การพบพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลกพระองค์ก็ได้แสดงแล้วแก่ม่อมฉันทั้งหลายข้าแต่พระมหามุนีอธิการจำนวนมากของหม่อมฉันทั้งหลายย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ ข้าแต่พระมหาวีระผู้เป็นพระมุนีขอพระองค์พึงหวนระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของหม่อมฉันทั้งหลายเถิดหม่อมฉันทั้งหลายสั่งสมบุญไว้ก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหาวีระหม่อมฉันทั้งหลายงดเว้นอนาจารในสถานที่ไม่สมควรแม้ชีวิตก็ยอมสละแล้วเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ประธานหม่อมฉันทั้งหลายเพื่อต้องการให้เป็นพันญาของผู้อื่นหลายพันโกดกกับก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันทั้งหลายไม่เคยเสียใจในเรื่องนั้นเลยข้าแต่พระมหามุนีพระองค์ประธานหม่อมฉันทั้งหลายเพื่ออุดหนุนผู้อื่นหลายพันโกดกับก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันทั้งหลายไม่เคยเสียใจในเรื่องนั้นเลยข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ประธานหม่อมฉันทั้งหลายเพื่อประโยชน์เป็นอาหารหลายพันโกดกับเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันทั้งหลายไม่เคยเสียใจในเรื่องนั้นเลยหม่อมฉันทั้งหลายยอมสละชีวิตหลายพันโกดกับด้วยคิดว่าจะทําความพ้นภัยจึงยอมสละชีวิตข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันทั้งหลายไม่เคยหวมเครื่องประดับผ้า น, านานาชนิดที่ติดตัวอยู่และพันธะของหญิง เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีทรัพข้าเปลือกปัจจัยเครื่องบริจาคบ้านนิคมไร่นาบุตรธิดาหม่อมฉันทั้งหลายก็บริจาคแล้วช้างมา้าโคทาสีนางบำเรอมากมายนับไม่ถ้วนหม่อมฉันทั้งหลายก็บริจาคแล้วเพื่อประโยชน์แก่พระองค์พระองค์ทรงปรึกษาหม่อมฉันทั้งหลายว่า เราทั้งหลายจะให้ทานแก่พวกยาจบเมื่อพระองค์ให้ทานที่ประเสริฐอยู่ม่อมฉันทั้งหลายก็ไม่เคยเสียใจข้าแต่พระมหาวีระมอมฉันทั้งหลายยอมรับทุกทรมานมากมายหลายอย่างจนนับไม่ถ้วนในสงสารเป็นอนเนกก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีมอมฉันทั้งหลายได้รับความสุขย่อมอนุโมทนาและคราวที่ได้รับความทุกข์ก็ไม่เสียใจ เป็นผู้ยินดีแล้วทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญธรรมโดยมักที่สมควรเศรษสุขและทุกข์แล้วได้บรรลุซึ่งพระโพธิญาณการที่พระองค์และหม่อมฉันทั้งหลายพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำจัดโลกพระนามว่าพรหมเทพและพระนามว่าโคดมแล้วพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นที่พึ่งสัตว์โลกเหล่าอื่นอีกก็มากข่าแต่พระมหามุนีอาติการของหม่อมฉันทั้งหลายมีมากเพื่อประโยชน์แก่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงสแสวงหาพุทธธรรมอยู่หม่อมฉันทั้งหลายก็ได้เป็นบ่ายบริจาเรียกลาของพระองค์ในสีอสงไขยแสนกลับพระมหาวีระพระนามว่าทีปังกรทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ประชาชนในปัจจันตประเทศต่างมีใจยินดีทูลนิมนต์พระธาคตแล้วช่วยกันแผ้วทางทางซึ่งเป็นที่เสด็จพุทธดำเนินครั้งนั้นพระองค์เกิดเป็นพราหมณ์นามว่าสุเมทะกำลังตกแต่งหนทางเพื่อพระสุคตผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงกำลังเสด็จมาครั้งนั้นมอมฉันทั้งหลายทั้งหมดได้เกิดในตระกูลพราหมณถือดอกไม้ที่เกิดจากข้อไปสู่สมาคม สมัยนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรผู้มีบริวารยศมากเป็นพระมหาวีระทรงพยากรสุมเมธาดาบทผู้มีใจสูงพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรกําลังทรงประกาศกรรมของสุมเมธาดาบทยกย่องฤาษีผู้มีใจสูงอยู่แผ่นดินก็ไหวสะเทือนเลื่อนลั่นไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเทพกัญญามนุษย์และหม่อมฉันทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดา พากันใช้สิ่งของที่ควรบูชาต่างๆบูชาแล้วปรารถนาพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าทีปังกรทรงพยากรเขาเหล่านั้นว่าในวันนี้ชนเหล่าดใดมีความปรารถนาชนเหล่านั้นจะสำเร็จพร้อมหน้ากันเนกกลับซึ่งหาประมาณไม่ได้นับจากกลับนี้ไปพระพุทธเจ้าทรงพยากรพระดำรัสใดแก่มอมฉันทั้งหลาย บ่ ม, มฉันทั้งหลายเมื่ออนุโมทนาพระตํารัตนั้นจึงเป็นผู้ทําอย่างนี้ยิงทั้งหลายทําจิตให้เลื่อมใสในกรรมที่ได้ทําไว้ดีแล้วนั้นจึงได้บังเกิดในกําเนิดเทวดาและมนุษย์นับชาติไม่ถ้วนครั้นสวยสุขและทุกข์ในเทวดาและมนุษย์แล้วเมื่อถึงพบสุดท้ายจึงมาเกิดในสักยะตรพูลมีรูปสมบัติโพกสมบัติยศและศีลสมบูรณ์ด้วยองค์สมบัติทั้งปวง ได้รับสักระอย่างยิ่งในตระกูลทั้งหลายพรั่งพร้อมไปด้วยโลกธรรมขืนราบสรรเสริญสักระมีจิตไม่ประกอบด้วยทุกข์อยู่อย่างผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนสมจริงตามพระดารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าในครั้งนั้นพระองค์ทรงสแสดงอุปการะของนารีทั้งหลายไว้ภายในพระราชมนเทียและในขัตยบุรีว่านารีผู้มีอุปการะหนึ่ง นารีผู้เป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกหนึ่งนารีผู้แนะนำประโยชน์ให้หนึ่งนารีผู้ทำความอนุเคราะห์ให้หนึ่งบุคคลควรประพฤติธรรมให้สุจริตไม่ควรประพฤติธรรมให้ทุจริตเพราะบุคคลผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามอมฉันทั้งหลายละกลางครองเรือนแล้วบวชเป็นบรรพชิตยังไม่ทันถึงปิ่งเดือนก็ได้บรลุสัจจะสี คนเป็นอันมากนำจีวอนบินธบาศเสนาสนะและปัจจัยมากมายเข้ามาถวายหม่อมฉันทั้งหลายเหมือนคลื่นในมหาสมุทรกิเลสทั้งหลายหม่อมฉันทั้งหลายก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงหม่อมฉันทั้งหลายก็ถอนได้แล้วหม่อมฉันทั้งหลายตักกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดูดพยาช้างตักเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ การที่หม่อมฉันทั้งหลายมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามหม่อมฉันทั้งหลายได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันทั้งหลายก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้เือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกหม่อมฉันทั้งหลายก็ได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันทั้งหลายก็ได้ทําสําเร็จแล้วมอมฉันทั้งหลายได้รับทุกหลายอย่างและสุขสมบัติหลายอย่างถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์ได้สมบัติทุกอย่างด้วยประการณชนีบุคคลผู้ถวายตนของตนแด่พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพื่อต้องการบุญก็ย่อมพรั่งพร้อมด้วยสหายบรรลุพระนิพพานซึ่งเป็นอสังกตะ กรัมทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตสิ้นไปแล้วกรัมทั้งปวงของหม่อมฉันทั้งหลายสิ้นแล้วข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุหม่อมฉันทั้งหลายขอกราบไหว้พระยุ ค, คลบาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเธอทั้งหลายบอกลาเพื่อจะนิพพานเราจะกล่าวอะไรให้มากเล่าบุคคลที่เป็นท่าที่นับว่าสัต์ก็บรรลุถึงอมตะบทแล้วได้ทราบว่า ที่สุนีนึ่งรูปมีพระยะโสธราเทรีเป็นประธานได้พาสึกขาถาเหล่านี้เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคด้วยประการฉนิมทธารสะเทรีสหัสสานมะประธานที่สิบจบคุณทนเกสีวักที่สามจบบริบูรณ์ร่วมอัปทานที่มีนิวักษ์นี้คือหนึ่งคุณทนเกสีเทริยาประธาน สองีสาโคตมีเทริยาประธานสธรรมทินนาเทริยาประธาน 4. สี่สกุลาเทริยาประธานหนันทาเทริยาประธาน 6. โสนาเทริยาประธาน 7. พัตกาปิลานีเทริยาประาน 8. ยโสธราเทริยาประาน 9. ทศหัสสเทริยาประานสิบ อาฐรรษะเทรีสหั ส, สานามะประทานในวักนี้บัณฑิตนับจำนวนคาถาได้478คาถา